ช่วงนี้นะมีพระเครื่องรุ่นใหม่ออกมาเรียงง่ายๆสั้นๆนะชื่อพระสตินะแล้วก็ที่น่าสนใจกว่านั้นนะก็คือว่าผลิตจากมวลสารที่ธรรมดามากนะก็คือผลิตจากถุงพลาสติกบ้างละ หรือว่าถังพลาสติกบ้างแล้วหรือว่าถ้วยกาแฟกล่องนม UHT หรือว่าขวดยาคู่นะแล้วก็กล่องข้าวนะที่คล้ายๆก็ทิ้งแล้วก็ผลิตจากวัสดุเรานีประมาณ15ชนิดแต่แยกกันนะไม่ได้มาผสมผสานกัน แต่และชนิดนี้ก็ทำให้พลาสติเนี่ยมีสีสันแตกต่างกันในรุ่นนี้นี่ก็มีประมาณ25่แบบได้บ้างก็เรียกว่าน่าสนใจนะผู้ที่ผลิตนี่ก็คือมูลทีธิกระจกเงาผลิตพลาสพสติขึ้นมาฟังเพินๆก็เหมือนกันกบพลาสติกนะ แต่ว่าคำว่าพลัสตินี่ก็หมายความถึงเครื่องเตือนใจเห็นแล้วนี่ก็เกิดมีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาที่น่าสนใจก็ตรงที่ว่าเขาเอาวัสดุที่ดูเหมือนว่าไม่มีคุณค่าหรือไม่มีราคาเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นของที่ทิ้งแล้วมาทําให้กลายเป็นสิ่งที่มี คุณค่ามีความหมายต่อจิตใจพู้ง่ายคือว่าเปลี่ยนขยะนะให้กลายเป็นสิ่งประเสริฐพวกถุงพลาสติกถ้วยกาแฟนะกล่องนูเอพวกเนี้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอดื่มนมดื่มน้ำผลไม้ในกล่องหรือว่าดื่มกาแฟหมดแล้วสิ่งที่ถืออยู่ในมือก็กลายเป็นขยะ ก็ทิ้งเลยบางทีทิ้งข้างถนนเพราะไม่อยากถือไว้นานนะเพราะเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วมีค่าเป็นขยะแต่ว่าพระสติเนี่ยนะาสามารถจะเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีราคาข้า ง, งวดเนี่ย สามารถที่จะแปลให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจได้หรือผู้งานคือเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสิ่งประเสริฐนะเพราะว่าสำหรับชาวพุทธเนี่ยมันไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าหรือพระตนตัตตยนะในการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นขยะเนี่ยให้กลายเป็นสิ่งประเสริฐเนี่ยมันเป็นสิ่งสาคัญนะ มันไม่ใช่แค่มีความหมายต่อโลกซึ่งตอนนี้กำลัง ม, มีขยะลนโลกพลาสติกนี่เกลื่อนไปทั้งแม่น้ำลำคลองแล้วก็ทะเลมหาสมุทรแต่จริงแล้วเนี่ยมันยังบอกราอีกว่าเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นนามธรรมเราก็สามารถจะเปลี่ยนให้มีคุณค่ามีความหมายเช่น อย่างที่หลวงพ่อมำเพียนั้พูดอยู่เสมอนะต้องรู้จักเปลี่ยนทุกข์กมมกกให้กายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้กายเป็นความไม่หลงอันนี้มันเป็นศิละปะหรือเป็นวิชาที่ทุกคนควรจะมีไม่ใช่แค่เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่าไม่ใช่แค่ขยะภายนอกเท่านั้นนะ ที่เราต้องรู้จักเปลี่ยนนะขยะภายในเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานของนักปฏิบัติธรรมนะหรือว่าของชาวพุทธทั้งหลายเลยเพราะถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนนะเราก็อับจนน ะ, ะความทุกมันก็เล่นงานจิตใจความโกรธมก็เผาลนใจนะความเครียดมันก็กรีดแทงใจ เราต้องรู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นนะทุกมันก็กลายเป็นธรรมได้นะเปลี่ยนทุกให้กลายเป็นธรรมเนี่ยอย่างพระ อ, อริยะเจ้าหรือพระ อ, อรหันต์หลายท่านเนี่ยตั้งแต่สายพุทธกาลลงมาท่านมีความทุกข์มากนะเสียลูกเสียคนรักหรือเจ็บป่วยเนี่ยแต่ความทุกข์ทั้งหลายท่านเปลี่ยนให้กลายเป็นธรรมเลย ธรรมะนะให้เห็นเลยนะว่าโอ้เขากำลัแงแสดงทําให้เราได้ตระหนักนะว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่คงที่คงตัวไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นต น, ตนหรือใช่ตัวใช่ ต, ชตนเพราะถ้าเห็นแบบนี้นะจากความทุก์เนี่ยทันบรรลุธรรมเลยเนะอันนี้แล้ว่า เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์นะอย่างแท้จริงหรือกลายเป็นความพ้นทุกข์ไปเลยคนเราทุกคนก็ทำได้นะไม่ต้องรอให้เป็นพระริยเจ้าเราเปลี่ยนปัญหานะให้กลายเป็นปัญญาทังคนเราเนี่ยชีวิตมันก็เจอปัญหาร0 8แแต่ว่าในตัวปัญหาเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราเกิดปัญญาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางโลกปัญหาเกี่ยวกับการงานนะที่เราต้องทําการบ้านบ่อยๆตอนเป็นนักเรียนเพื่ออะไรนะก็เพื่อเปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนปัญหาหรือคําถามนี่ให้กลายเป็นปัญญายิ่งทำการบ้านเยอะๆยิ่งเจอปัญหามากๆนะหรือแบบขัดขัดมากๆเราก็ยิ่งเกิดปัญญาเกิดความรู้อันนี้เรียกว่าความรู้ในทางโลกนะทางธรรมก็เหมือนกันนะ ปัญหาต่างๆนี่มันก็ทำให้เราเกิดปัญญาได้ใช่มันทำให้เรารู้ว่าในความยึดติดถือมั่นของเรานี่แหละนะที่มันสร้างปัญหาหกับจิตใจของเราหรือว่าใช้ปัญหาเนี่ยเพื่อฝึกสติเพื่อสร้างขันติเพื่อสร้างบารมีนะบารมีจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเจอปัญหาจะอุปสรรค แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านเปลี่ยนปัญหาภาษากลายเป็นบารมีหรือเป็นแบบฝึกหัดในการบําเพ็ญบารมีซึ่งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าบางคนเราเนี่ยทำได้นะแต่จะทําได้ต้องเจอปัญหาไม่งั้นเราถ้าเจอแต่ความสุขสบายมันก็ประมาดนั่งเล่นนอนเล่นไม่เกิดความก้าวหน้า แต่พอเจ อ, อประสักเจอปัญหานี้มันเกิดความกระตือร้นขึ้นมาจริงจริงจะว่าแต่คนเราเลยนะต้นไม้เนี่ยนะเขาก็เก่งนะในเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนแดดร้อนให้กลายเป็นร่มเงาแดดร้อนๆนี่เจอต้นไม้นี่มันกลายเป็นร่มเงาที่เย็นสบายเขาเปลี่ยนขยะปฏิกูลนะให้กลายเป็นปุ๋ยให้กลายเป็นดอไม้ให้กลายเป็นผลไม้ที่หอมหวาน ทิ่งอะไรลงไปเนี่ยแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะหรือว่าเศษซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยมันกลายเป็นดอกไม้ที่หอมกลายเป็นผลไม้ที่หวานได้อันนี้เพราะว่าเขารู้จักเปลี่ยนนะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะเราจะพัฒนาได้ก็ต้องจากเปลี่ยนนะพระสตินี่ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่สอนทําให้กับเรานะว่าสิ่งที่มีสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่านี้ ที่เราเรียกขยานี่เราสามารถจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งประเสริฐได้ที่คนเคารพกราบไหวแต่จะเปลี่ยนได้ต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคือสตินะเพราะนั้นที่เขาตั้งชื่อพระรุ่นนี้ว่าพระสตินี่ก็ถือว่าเหมาะสมเลยทีเดียวเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักใช้สติเพราะว่าสตินั่นแหละนะที่จะเปลี่ยนทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกเปลี่ยน โกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความมามินกายเป็นความไม่หลงแล้วสตินี่แหละก็จะทําสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นปัญญาที่สามารถจะนำพาให้เราพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ก็มีบางคนสงสัยนะหรือว่าจะตั้งคําถามว่าปกติเนี่ยเวลาจะสร้างพระเนี่ยนะเราก็มักนิยมใช้วัสดุที่มีค่ามีราคา เช่นโลหะเช่นเงินทองแดงหรือบางทีเป็นทองด้วยซ้ำเอาเขยะมาทำบุตรลูกมจะดีเลรนะนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคาค่างวดแต่มันอยู่ที่ประโยชน์นะสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีราคาเนี่ยมันก็มีค่านะ หรือมีคุณค่าถากว่าสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เมื่อคุณค่างคนนะมาไม่ที่ว่ามาจากชาติตระกูลใดไม่ได้ว่ามามีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรถึงแม้เป็นคนยากคนจนนะก็สามารถจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าได้ถ้าทำความดีถ้าความดีนั่นแหละนักลึกนะกรรมนี่แหละมันเป็นเครื่องชี้ว่า คนเราจะมีคุณค่าแค่ไหนนะอย่างที่เ้าเรียกว่าเนี่ยค่าของคนนะอยู่ที่การกระทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนะจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นพระเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเพศที่สูงนะในพุทธศาสนาเนี่ยอุตมเพเนี่ยหรือความเป็นพระเนี่ยเปิดกว้างให้สำหรับคนทุกคน ไม่ได้เลือกชั้นวันละนะไม่ใช่ไหวต้องเป็นคนชั้นสูงถึงจะมาบวชพระได้น่าจะเป็นคนชั้นวันละต่ำนะก็มาบวชพระได้เพราะอะไรเพราะว่าค่าของคนเนี่ยมาไม่อยู่ที่ชาติตกลุ่มไม่อยู่ที่ฐานะทางเศรษฐกิจแต่อยู่ที่การกระทําหรืออยู่ที่ความตั้งใจนะถ้าอยากจะมาบําเพ็ญธรรม แม้จะเป็นคนต่ําต้อยเป็นคนวันนัตต่าเป็นจันทานเนี่ยมาเป็นพระนี่ก็ก็กลายเป็นสิ่งที่บุคคลเนี่ยควรเคารพกราบไหว้แม้แต่พระราชาก็เคารพกราบไหว้นะคนที่มาจากวันนัตต่าที่มาบวชพระเพราะว่าคุณข้างคนเนี่ยอย่างที่บอกนะมาไม่อยู่ที่สถานะไม่อยู่ที่ชาตกิกลุนนะแต่มีที่การกระทํา หรือความตั้งใจเพราะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรามองสิ่งต่างๆเนี่ยวัสดุต่างเนี่ยเราจะไปตีค่าที่ว่ามันดูตรงที่ว่ามันมีราคาข้างูดหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีประโยชน์ไหมสิ่งที่เราทิ้งแล้วเนี่ยากว่าเรามาทาให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายทั้งอัตถประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ประโยชน์ทางจิตใจเนี่ย มันก็กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาวัสดุอะไรเนี่ยมาทำเป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้และพึงกระทำนะเพราะว่าเป็นการทำให้สิ่งที่ดูไม่มีคุณค่ามีราคาค่างวนเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจแลนะสิ่งสาคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้หรือปฏิบตัติต่อ ผลที่เกิดขึ้นอย่างไรเช่นพระพุทธรูปพระเครื่องเนี่ยเออถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาในพระตันตรยัยเกิดสติขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่ามีค่าพระเครื่องรุ่นนี้นี่เขาไม่เปิดขายทั่วไปนะหรือไม่มีการให้เช่านะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็บริจาคเงินนะให้หมูลนิธิกระจกเงานะอย่างน้อยสองรบาทอันนี้ประชาสัมพันธ์เลยแล้วเขาก็จะส่งพระสติมาให้ เป็นเครื่องเตือนใจให้เราให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่มีคุณค่านั้นก็สามารถจะแปรให้เป็นสิ่งประเสริฐได้ความทุกข์ในใจเราขยะในใจเราก็แปรให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะได้แม้ทั้งกิเลสเนี่ยก็สามารถแปลให้เป็นโพธิหรือเป็นแปลงให้เป็นโพธิความตัดสลุกได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องสอนใจหรือปิศนาธรรมให้กับเราได้